ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบเอานะหนังสือแจกเอาไปอ่านเราจะฉลาดหนังสืออย่างอื่นอ่านแล้วโง่อ่านแล้วถูกหลอกหลอกให้เสียตังค์อ่านหนังสือแฟชั่นอ่านหนังสืออะไรเดี๋ยวก็อยากจะใช้เงินเลย เถ้าท่านหนังสือธรรมะแล้วจะไม่อยากจะใช้เงินเนีย่ยอยากจะไปอยู่เงียบๆ <laughs> ไม่ต้องเสียงเงินนะฉลาด <laughs> <laughs> เกิดมานี้ถูกหลอกให้ไปหาเงินแล้วก็ถูกหลอกให้ไปใช้เงินแล้วก็ไม่ได้อะไรจากการหาเงินใช้เงินได้แต่ความเหนื่อย ได้แต่ความทุกข์ได้แต่ความเสียใจความสุขได้ประเดียวประดาหายไปหมดเนี mm ่ย hmm. หนังสือที่ดีทำให้เราฉลาดไม่ชอบอ่านกันชอบอ่านหนังสือที่ทำทาให้เราโงา่หนังสือดาราหนังสือแฟชั่นหนังสือท่องเที่ยวหนังสือนิยาย หา้มันเพลินมันอยู่ในโลกของความฝันไมไม่ได้อยู่ในโลกของความจริงลูกหลาไม่ชอบโลกของความจริงเพราะอ่านธรรมะแล้วหาหาว <c oughs> <laughs> พระเตมพระเทศตั้งน้ามองนี่หาสาวหิงแล <c oughs> เตรียมนอนเตรียมหลับเนี่ยฟังเทศก็ฟังแบบทับพีในมั่วแกนฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็หลับถ้าไม่หลับก็ฝันเพ้อฝันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้พระก็เทศไปโยก็คิดไปต่างไป ไปคนละทางนะไปคนละทิศกันพระ ก, ก็พยายามดึงให้มาหาความจริงโยมก็ชอบไปกับความเพอ้อฝันอยากจะได้นูน่นอยากจะมานี่อยากจะได้นี่อยากจะไปนั่นอยากจะไปนี่ความเพอ้อฝันของโยมพระบอกให้มาดูความจริงดูอนิจจังไม่ยอมดูมันของจริงไม่ชอบดูอ น, นิจจังของไม่เที่ยง ของปลอมของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นของจริงเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็หายไปหมดมันไม่เที่ยงเหมือนควันไฟนี้มันจริงัหมควันไฟนี้มันจิกเดน๋ยวเดียวใช่ไหมเดี๋ยวพอมันจุดปั๊บมันก็จางหายไปหมดแล้วของทุกอย่างในโลกนี้เหมือนควันไฟนให้มองอย่างนั้นแม้แต่ร่างกายของพวกเรานี้ก็เหมือนควันไฟ เดี๋ยวก็หายไปหมดเดี๋ยวก็เหลือแต่ขี้เท่านี่แหละคือความจริงพวกเราไม่ชอบมองกันชอบมองเรื่องอสวยๆงามๆช่วยมองเรื่องอะไรต่างๆที่มันเป็นของปลอมเราชอบเงานไม่ชอบของจริงนะ ก็ไลยวิ่งตะคุบเงาก่าอยู่เลยตะคุบเท่าไหร่ก็ไม่เจอไม่ได้สักทีไยไล่ตะคุบเงาตัวเองนะลองไปไล่ตะคุบเงาตัวเองดูสิหัวมันศีสษะมันพาดไปข้างหน้าลองไล่ตามมันดูสิยิงไล่มันก็ยิ่งหนีนะนั่นแหละความสุขต่างๆที่เราหาเนี่ยเราเป็นความสุขปลอมเหมือนเหมือนกำเงาไม่ใช่ของจริง เกว่าได้นั้นมาแล้วจะมีความสุขพอได้ความสุขเดียวเดียวกลายเป็นความทุกข์ไปละเดี๋ยวสิ่งที่ได้มาเปลี่ยนไปละของซื้อมาใหม่ๆก็ใช้ได้ดีพอใช้ไปสักพักเอาเสียละปวดหัวละเอาไปซ่อมนะหรือหายไปหรือพังไปหรือหมดไป กาแฟที่ดื่มเนี่ยเดี๋ยวดื่มไปเรื่อยๆ เ, เดี๋ยวมันก็หมดขวดหมดขวดก็ต้องไปหาซื้อขวดใหม่ซื้อกี่ขวดมันก็หมดเหมือนตะคุบเงาไงเดินไปตะคุบเงาเดินมันอยู่ข้างหน้าเราก็ไล่มันไปตามมันไปพอเราตามไปถึงจุดที่มันอยู่มันก็ไปอก็นี่คือความสุขที่พวกเราหากันในโลกนี้อ่เป็นความสุขแบบเงา แบบควันไฟได้มาแล้วก็จางหายไปได้ต้องหาอยู่เรื่อยๆต้องจุดไฟอยู่เรื่อยๆจะได้มีควันพอเวลาไม่ได้จุดก็เศร้าเหงาว่าเหวพอไม่มีอะไรทำไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรดื่มไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังให้มาอยู่วัดเนี่ย ให้มาดูความจริงว่าความว่างเป็นยังไงเนี่ยความจริงคือความว่างไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังไม่มีอะไรให้กินไม่มีอะไรให้ดื่มมีแต่ความว่างมาฝึกอยู่กับความว่างดีกว่าอยู่กับความว่างได้แล้วเราจะมีความสุขของจริงของแท้ความว่างนี่ไม่มีวันหนีหรอกมันอยู่ตลอดมันมีอยู่ตลอดเวลาความว่างเนี่ย เคยเคยเห็นความว่างหายไปบ้างไหมความว่างมันมีอยู่ตลอดเวลาเรากลัวมันเราหาอะไรมากลบมันอยู่เรเลอยหาลูกมากลบมันหาเสียงมากลบมันเพราะเวลามันว่างมันเหงามันว้าเหวมันเศร้ามันเลยต้องมีลูกมีเสียงมีกลิ่นมีรถมาคอยกลบความว่างนีกลบเท่าไหร่มันก็ว่างอยู่ดี เหมือนเอาความไฟมากบความว่างเนียจุดความไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็จางละลายหายไปหมดเดี๋ยวความมันก็เหลือแต่ความว่างอยู่ยัอย่าไปนหนีความว่างดีกว่าอยู่กับความว่างอาจอยู่กับความว่างความว่างนี่ไม่เป็นพิษเป็นภัยเหมือนกับรูปเสียงกลิ่นรสนะตัวรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยตัวที่ทาให้เราทุกข์นี่ยนะทุกตอนที่มันไม่มี เหมือนยาเสพติดเนี่ยมันทำให้คนที่เสพนทุก์เวลาไม่มีเสพ เ, เวลามีเสพก็ก็สุขดีแต่พอไม่มีเสพแล้วก็ทุกทุกถึงกับตายเลยทรมานทนไม่ไหวเวลาไม่ได้เสพพอต้องอยู่กับความว่างไม่มียาให้เสพดิ้นตายลงแดงตาย เคยไปดูคนที่เขาเลิกยาเสพติดไหยวัด ร, ร้ำกระบอกหรือไอ้กาที่เขาให้กินยาขมๆหรืออะไรกินเข้าไปจะได้อาจเจออเอาพิษต่างๆออกจากร่างกายพิษที่ทำให้มันติดต้องคอยเติมเข้าไปอยู่เรื่อยๆพอไม่มีพิษมันก็มันก็จะตายขาด การสารที่มันเคยติดอยู่นะเรามาเลิกเสพยาเสพติดกันดีกว่ามาเสพความว่างดีกว่าความว่างนี้สะอาดบริสุทธิ์ไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าเราเลิกเสพลูกเสียงกลิ่นลดได้เนี่ยเราจะสบายนะไม่ต้องวิ่งหารูกเสียงกลิ่นลดอยู่ทุกวันนี้ ตื่นแต่เช้าออกมาก็ก็หาละรูปเสียงกลิ่นลดรูปเสียงกินกงก่นลดของเครื่องดงื่มเช้าเช้าตื่นขึ้นมาก็ต้องกาแฟยับเป็นยาปลุกก่อนงั้นยังไม่ตื่นเนะดื่มกาแฟสักถ้วยหนึ่งดืมน้ำส้มสักแกนะ้วหนึ่งแล้วก็กินไข่ยาวหมูแฮมสักจาน อย่างเสพเสพรูปเสียงกลิ่นรสพอวันไหนไม่มีเสพวันนั้นก็ทุกวันนั้นกาแฟหมดไม่มีกาแฟดื่มหมดหิดแล้วเลยลำคาญแล้วแต่ถ้าเราไม่ดื่มไม่เสพมันเราก็ไม่เดือดร้อนดื่มแต่ของที่มัน จำเป็นต้องดื่มคือน้ำเปล่านั่นแหละน้ำเปล่ามันเป็นธาตุเป็นอเอามาเลี้ยงร่างกายร่างกายเหมือนต้นไม้ต้องมีน้ำหล่อเลี้ยงถ้าไม่มีน้ำหล่อเลี้ยงมันก็ตายแต่มันไม่ต้องการน้ำกาแฟน้ำชาน้ำส้มน้ำอะไรหรอกอันนั้นมันเป็นอันนั้นมันเป็นยาเสพติดหล่อเลี้ยงกิเลสหล่อเลี้ยงใจ ใจติดติดรูปรูปของกาแฟากลิ่นของกาแฟารสของกาแฟารสของน้ำชารสของน้ำส้มรสของเครื่องดื่มต่างๆอแต่ร่างกายมันไม่มันไม่สนใจหรอกร่างกายมันสนใจแค่น้ำเปล่าๆใหแี่นี้มีน้ำเปล่าๆให้มันกินมันก็อยู่ได้แล้วกินเพื่ออยู่อย่ากินเพื่อกินเลย อย่ากินเพื่อเสพอยากินเพื่อเสพยาเสพติดอย่าไปติดรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเราจะไม่เดือดร้อนเวลาไม่มีเสพคนที่ไม่เสพยาเสพติดเดือดร้อนเหมเวลาไม่มียาเสพคนที่ไม่มียาเสพนี่เดือดร้อนไม่มีเงินซื้อยาก็ต้องไปขโมยเงินวัดเนี่ยวัดนี่โดนขโมยพวกติดยานี่มาขาโมยเงินวัดอยู่เลย สองมาเทศก่อนก็เข้าไปในเจดีงันเข้าไปเอาเจดีไปเอาเงินในเจดีมีมาขมโมยอย่เรื่อยเพราะเมื่อมันไม่มีเงินซื้อยาเสพติดมันก็มันจะตายถ้าไม่มีเสพมันยอมติดคุกถ้าถูกจกับกาติดคุกมันยอมติดแต่มันไม่ยอมอดอดมันทรมานยิ่งกว่าติด พวกเราก็เหมือนกันพอไหนขาดรูปเสียงกินรถเงินไม่พอซื้อของที่อยากจะซื้อเราก็หาโดยวิธีถูกกฎหมายไม่ได้เดี๋ยวก็ไปหาวิธีผิดกฎหมายเพราะยางต้องมีเงินยตงต้องใช้เงินอย่างต้องซื้อรูปเสียงกินรถต่างๆมาเสพถ้าไม่ได้เสพแล้วมันจะตายให้ได้ นี่หละคือความทุกข์ที่เราได้จากการไปติดรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาหัดเลิกมันดีกว่ามาเสษความว่างดีกว่าความว่างนี้ไม่ไม่มีพิษไม่มีภัยอยู่กับการไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะได้นี้สบายอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสที่มันมันไม่ต้องเสียงเงินสิเนี่ยรูปของต้นไม้รูปกอง เสียงของลมพัดอย่างเงี้ยไม่ต้องเสียเงินซื้ออเนี่ยอยู่กับของฟรีไม่เอาชอบใช้ของชอบอยู่กับของเสียเงินชอบเอาของเสียเงินของฟรีๆไม่ชอบเนี่ยเสียงลมพัดเนี่ยรูปของใบไม้รูปของต้นไม้รูปของท้องฟ้าเนี่ยรูปของฟรีๆไม่เอาชอบเอาของเสียตัง ก็เลยต้องดิ้นหาเงินกันถ้าขาดเงินก็ไม่สามารถซื้อความสุขได้ไม่ใช่หอเ่าไม่สามารถซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เยถึงบอกว่ามาอ่านหนังสือธรรมะเราจะได้จะได้ฉลาดจะได้เลิกเสียเงินเสียทองถูกหลอกให้เสียเงินเสียทองเนี่ยถูกหลอกให้ไปหาเงินหาทอง พอได้เงินมาก็ถูกหลอกให้ไปซื้อซื้อซื้ อ, อนู่นซื้อนี่ซื้อมาแล้วเป็นไงของเต็มบ้านแต่ใจเปังไงก็ยังตะคุบเงาเหมือนเดิมยังอยากได้อันนู่นอันนี่เหมือนเดิมเราให้สร้างโกดังเก็บของไว้มันก็ไม่มันก็เหมือนเดิมมันดีใจเดี๋ยวเดียวดีใจตอนใหม่ๆตอนที่ได้มา พอได้มาแล้วความสุขนั้นก็จางหายไปเหมือนกับควันไฟนี่พอดูไอ้ของที่ได้มาดูไงมันก็ไม่เกิดความสุขแล้วมันต้องไปดูของใหม่ถ้าไปดูของในร้านโอ้เกิดความสุขขึ้นมาก็ของอั น, นที่เราซื้อมาที่เราเอามาเก็บไว้ที่บ้านมันก็มาจากที่ร้านนี่ใช่ทำไมตอนนี้ดูแล้วไม่มีความสุขทำไมต้องไปดูของที่มีอยู่ในร้าน เนี่ยถูกหลอกนะง้นอย่าไปหลงเลยซื้อมากี่ชิ้นกี่อันซื้อมาแล้วมันก็หมดความหมายไปก็ลองไปซื้อใหม่เรื่อยๆแล้วเงินทองมันก็ต้องหมดจากการซื้อแล้วถ้าเรามีเงินไม่พอใช้เราก็จะเดือดร้อน เงินนี้ก็เอาไว้สำหรับใช้เลี้ยงดูร่างกายเข้าใจั้มเงินทองเนี่ยมีไว้สำหรับซื้ออาหารซื้อเสื้อผ้าพอพอประมาณไม่ใช่ซื้อแบบเป็นตู้เป็นตู้ตู้ร่างกายมีร่างเดียวทําไมเสื้อผ้าต้องมีเป็นสิบมีแค่สามผืนเนี่ยพระมีแค่สามผืนก็อยู่ได้นะ มีผ้านุ่งผืนผ้าห่มผืนผ้าห่มกันหนาวผืนหนึ่งไปได้ทุกแขงทุกคนไปเมืองนอกเมืองนาไปงานศพงานแต่งงานงานวันเกิดงานขึ้นบ้านใหม่ไปได้หมดชุดเดียวทำไมพระเขาทำได้ทำไมพวกเราทำไม่ได้ทำไมไม่ใส่ชุดเดียวมันดูใครจะว่าใครจะว่าก็ปล่อยมันว่าไปดิเราก็ใสม่มาชุดเดียวเนี่ย งานมันเกิดก็ใส่ชุดนี้งานขึ้นวันใหม่ก็ใส่ชุดนี้เพราะมันมีไว้สำหรับปกปิดร่างกายเท่านั้นแหละเสื้อผ้าไม่ใช่เป็นแฟช่แฟชั่นกันออแล้วมันได้อะไรจากการออแต่งชุดนั้นแต่งชุดนี้ก็เหมือนตุ๊ ก, กตาเนี่ยเราเล่นตุ๊กตาไหมเดี๋ยวก็เปลี่ยนชุดนี้ให้มันใส่เปลี่ยนชุดนั้นให้มันใส่ออมันก็ตุ๊ ก, กตาตัวเดิมมาแหละ ไม่เกิดประโยชน์ไม่เกิดความสุขที่แท้จริงเป็นความสุขปลอมเป็นความสุ ข, ขแบบควันไฟที่จะต้องคอยจุดไฟอยู่เรื่อยๆแล้วพอไฟ พ, พ, พอควัน ม, มันหายไปก็ต้องจุดใหม่เหมือนจุดยา ก, กันยุงนี้พอควันยากันยุงหมดก็ต้องจุดใหม่จุดเท่าไหร่มันก็หมดไปเรื่อยๆมันไม่มีวันไม่หมดความสุขที่เราหากันจากรูปเสียงกลิ่นรส เป็นอย่างนี้แหละเป็นของปลอมถึงบอกเป็นของปลอมไม่ใช่เป็นของจริงเรากำลังถูกหลอกให้ซื้อของปลอมซื้อความสุขปลอมกันความสุขจริงนี้ไม่ต้องเสียเงนินไม่ซื้อกันไม่เอากันความสุขปลอมความสุขจริงก็คือหยุดหาความสุขปลอมถ้าเราหยุดหาความสุขปลอมเราก็จะได้กับเราก็จะได้ความสุขจริงทุกครั้งที่เราอยากจะ ได้ความสุขความแล้วก็ไม่เอามันอยากจะดื่มกาแฟาก็ไม่ดื่มมันอยากจะสูบบุหรี่ก็ไม่สูบมันอยากจะเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากจะซื้อเสื้อผ้าที่มีเหลือเฟือแล้วก็ไม่ซื้ออยากจะซื้อกระเป๋าที่มีอยู่หลายใบแล้วก็ไม่ซื้อต่อไปความอยากมันหายไปต่อไปจะใช้ของเก่าได้อย่างสบายมีอะไรก็ใช้ไป ถ้ามันยังไม่ขาดก็ยังใช้ได้ก็ใช้ไปถ้ามันขาดแล้วก็เปลี่ยนใหม่นีนะพอเราเราเราเราเลิกหาความสุขปลอมได้เราก็จะได้พบกับความสุขจริงความสุขจริงก็คือความสบายใจไม่ต้องไปคอยหาเงินมาซื้อความสุขปลอมกันทั้งวันนี้วุ่นวายกับเรื่องอะไรถ้าไม่ใช่เรื่องหาเงินนะ กาะไม่หาเงินก็เรื่องรักษาเงินต้องหาทท้านั้นน่ะคนมีเงินถึงแม้ว่ามีเงินเหลือกินก็ยังต้องคอยเติมมันอยู่นั่นอย่างน้อยก็ต้องให้มีดอกมีเงินก็ต้องฝากหาดอกเพิ่มถ้าไม่หาเดี๋ยวมันค่อยๆหดไปเดี๋ยวเผลอมันหมดได้ก็ยังต้องหาอยู่ถึงแม้ไม่ได้หาด้วยการทำงานก็ต้องหาโดวยวิธี เอาเงินไปไปต่อยอดไปฝากธนาคารไปซื้อหุ้นไปซื้อที่ดินซื้อคอนโดซื้อแล้วก็มาขายซื้อคอนโดแล้วพอขายก็ได้กำไรได้กำไรก็เป็นไรายได้เพิ่มแล้วก็ไปซื้อความสุขปรอมต่อแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปซื้อใหม่ คิดดูถ้าเราไม่ไปซื้อความสุขปลอมนี่เราจะมีเงินเหลือเฟือเหลือไว้สําหรับใช้กับาสิ่งที่จําเป็นจริงๆก็คือเลี้ยงดูร่างกายนี่เงินส่วนใหญ่ของเรานี่หมดไปกับการซื้อความสุขปลอมกันถ้าเราเลิกเลิกซื้อความสุขปลอมกันได้เราจะได้พบกับความสุขจริงความสุขจริงก็คือความสบายใจ ที่ไม่ต้องมากังวลกับการหาเงินหาทองไม่ต้องกังวลกับการใช้เงินใช้ทองพอได้เงินมาแล้วก็ต้องคิดแล้าไปใช้อะไรดีไปซื้ออะไรดีซื้อแล้วเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ต้องซื้อใหม่ของเต็มบ้านแต่ความสุขที่ได้จากของเหล่านั้นหายไปไหนหมดมันเป็นควันไฟไมหมดนะเหมือนควันไฟ เอาความสุขจริงดีกว่าความสุขจริงเกิดจากการไม่ซื้อความสุขปลอมไม่ต้องการความสุขปลอมเวลาอยากได้ความสุขปลอมบอกไม่เอาอยากดึงกาแฟไม่ดึงถ้าหิวน้ำก็ดื่มน้ำเปล่าความสุขปลอมนี่มันมีหลายรูปแบบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายร้อยแปดอยากไปเที่ยวก็ไม่ไป อยากซื้อของไม่จำเป็นไม่ซื้อซื้อแหวนซื้อกาไรซื้อเครื่องสาอางซื้อน้ำหอมซื้ออะไรร้อยแปดซื้อมาทาไมซื้อมาใช้ไปมันก็หมดน้ำหอมเนี่ยทาปุ๊บเดี๋ยวมันก็จางหายไปหมดนะก็ต้องทาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวก็หมดขวดหมดขวดก็ต้องไปซื้อใหม่ เครื่องสามารีนี้เอามาทานโปะหน้าเดี๋ยวก็ต้องล้างหน้าเดี๋ยวก็ต้องล้างมันทิ้งไปล้างเงินทิ้งไปเลยเ <g ül> งินหามาแทบเป็นแทบตายเอามาล้างเอามาล้างน้ำหมด <g ül> ใช่ไหมทําไมไม่คิดกันบ้างเนี่ยท่าแล้วเลิ ก, เล ก, เลกหาความสุขความนี่เราจะมีเงินเหลือเหลือเฟือ เราจะไม่ต้องวุ่นวายเดือดร้อนกับการทำงานแบบแทบเป็นแทบตายทำเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้สถทีเพราะเวลามีเงินเท่าไหร่มันก็มักจะใช้มากกว่าที่เราหาได้อีกสมัยนี้ก็มีวิธีหลอกล่อให้ใช้เงินมากกว่าที่เราหาได้ให้บัตรเรามาก่อนให้เราใช้ก่อนเราค่อยเราค่อยไปคืนก็ทีหลังน่ันไม่มีคืนเนี่ยทำไงมันก็ต้องหางานทาเพิ่ม หางานเสริมบางคนต้องทำสองงานงานเดียวไม่พ อ, อนี่หนละถูกหลอกถูกหลอกให้หาความทุกข์กันคิดว่าเป็นความสุขกันคิดว่าได้นูน่นได้นี่แล้วจะมีความสุขได้มาก็สุขเดีียวเดียวสุขแบบควันไฟพอควันไฟหายไปแล้วก็ดูยังไงก็เหม็นไม่สุขเลย ของที่ซื้อมาแล้วอยู่เนี่ยของที่อยู่ในบ้านดูยังไงก็ไม่สุขเหมือนตอนที่ไปดูในร้านนะตอนที่ออกจากร้านนี่โ้หมันสุขแล้วกันพอกลับมาถึงบ้านหายไปละก็เ <laughs> นี่ยความหลงเนี่ยพวกเรากำลังหลงกันหลงหาหลงหาความสุขความคิดว่าเป็นความสุขจริง เป็นความทุกข์ทุกเพราะเวลาเดียวมันไม่มีไม่มีเงินซื้อมันก็ทุกข์ละไม่มีงินไม่มีอะไรให้ดูไม่มีอะไรให้ฟังก็ทุกข okay. ์ละแต่ถ้าเราไม่ซื้อความสุขควาไม่หาความสุขความเราไม่มีอะไรเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขไม่มีอะไรดูก็ไม่เดือดร้อนไม่มีอะไรฟังก็ไม่เดือดร้อน ไม่มีกาแฟเดิมก็ไม่เดือดร้อนไม่มีกล้องถ่ายรูปก็ไม่เดือดร้อนถ่ายคนตัวเองขายตัวเดียวเนี่ยถ่ายเป็นพันรูปรู่จะถ่ายเก็บไว้ทำไมนั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าเลิกเถอะเลิกค่ะ เลิกเสบรูปเสียงกลิ่นลดมันเป็นความสุขป่ามันเป็นเหมือนยาเสกติดเลิกได้แล้วจะมีความสุขคิดดูคนที่ติดยากับคนไม่ติดย า, คยาใครมีความสุขมากกว่ากันคนที่ติดกาแฟกับคนไม่ติดกาแฟใครมีความสุขมากกว่ากันใครที่ติดแฟนกับใครที่ไม่ติดแฟนใครมีความสุขมากกว่ากัน <c oughs> พอติดแล้วมันทุกข์นะไม่ใช่มันสุขนะพอได้อะไรมาแล้วมันจะติดพอได้แล้วอยากจะได้อยู่เรื่อยๆพอไม่ได้ก็ทุกข์ละพอเสียไปก็ทุกข์ละแล้วของทุกอย่างที่ได้มามันต้องมีวันเสียมีวันหมดะมขีของที่ไม่เสียไม่หมดกับเรากับไม่เอาอันความว่างเนี่ยมันใครหมดหม้ยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาก็เห็นความว่างหายไปไหม ความว่าง ม, มันมักจะมาเยี่ยมเราเรื่อยเห็นพอมาเยี่ยมเราทีไร น, นี่โหพยายามวิ่งหนีมัน ท, ทันทีพออยู่คนเดียวนี่เหงาแล้วรีบ ว, วิ่งหาเพื่อนกันใหญ่หัดอยู่กับความว่างสิความว่างมันรอเรามันมันให้ความสุขกับเราเนี่ยพระเจ้า บ, บอกให้ไปหาที่สงบสงบไม่เวกใช่ไหยที่ว่างๆที่ไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อที่ว่างแล้วใจจะว่าง ใจจะสงบใจสงบแล้วใจจะมีความสุขอย่างยิ่งใจต้องการความสงบเป็นความสุขที่แท้จริงใจจะสงบได้ใจต้องว่างจากทุกสิ่งทุกอย่างต้องว่างจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ต้องว่างจากคนนั้นคนนี้ต้องว่างจากสิ่งนั้นสิ่งนี้ว่างจากเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับความว่าง เพราะความว่างเป็นบรมลสุขเนี่ยนิบานังประมังสุ่างนิบานังปรมังคุงสุขขัง yep. จิตที่อยู่กับความว่างนี้เป็นจิตที่มีความสุขอย่างยิ่งความหมายจิตที่อยู่กับความว่างก็คือจิตที่เป็นนิพพาน hype. จิตที่เป็นนิพพานนี้ก็จะเป็นความสุขอย่างยิ่งนิบานังปรมังสุญญงอยู่กับความว่าง ไม่อยู่กับรูปเสียงเกลิ่นรสผลพพะไม่อยู่กับคนนั้นคนนี้ไม่อยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่กับอยู่กับความว่างอยู่อยู่ตามลำพังเวลาพระพุทธเจ้าถึงนิพพานนั่นอยู่ที่ไหนนั่งอยู่ที่โคนต้นโพอยู่กับใครหรือเปล่ามีใครนั่งอยู่ด้วยเปล่านั่งอยู่คนเดียวใช่ไหมนั่นคืออยู่กับความว่าง เวลาอยู่ในวางเนี่ยมีนางสนมกำนานล้อมรอบมันมันไม่ว่างมันเหมือนกับอยู่กับยาเสพติดพอติดแล้วพอพว่นางสนมกำนานกำนานหายไปที่เหงาเลยพออยู่คนเดียวเหงาเพราะมันเคยติดอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรดพอไม่มีรูปเสียงกลิ่นรดมันก็เลยรู้สึกเหงาเหงาเพราะมันอยากมันอยากจะมีรูปเสียงกลิ่นรด มาหอมล้อมอยู่เรื่อยๆเราต้องพลิกจิตใจเราให้มาหาความสุขที่แท้จริงมาอยู่กับความว่างตอนที่พลิกเนี่ยมันยากหน่อยเหมือนกับพลิกก้อนหินเนี่ยก้อนหินเนี่ยจะงัดมันให้มันพลิกนี่มันต้องใช้แรงอยู่ดีๆมันไม่ยอมพลิกจิตของเราที่มันติดอยู่กับลูกเสียงกลิ่นรสเนี่ย จะเสกแค่มันไปออกจากรูปเสียงกลิน่นรสนี้มันต้องใช้ความเพียรพยายามมากอยู่พระพุทธเจ้าสิต้องเสด็จออกจากวังไปมีมีพระราชาโอรสองไหนบ้างในสมัยปัจจุบนันนี้ที่สละราชสมบัติแล้วก็ไปบวชเนยไม่มีหรอกมันไม่ใช่ของง่ายมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเหมือนเลิกยาเสพติด คนที่ติดยาเสพติดนี่ส่วนใหญ่นี่มักจะเลิกไม่ได้นอกจะตายกันแต่ถ้ามีความพยายามก็เลิกได้พระพุทธเจ้าทำได้พระพุทธเจ้ามีปัญญามีความฉลาดมองเห็นอนาคตของตัวเองว่าถ้าติดยาติดพวกนี้ไปต่อไปจะจะลำบากจะทุกข์ เวลาแก่เวลาเจ็บเวลาตายนี่มันจะเสพไม่ได้นะจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสผดพักกันไม่ได้จะไปเที่ยวก็ไม่ได้จะดูอะไรก็ดูไม่ตาโม่ไปหมดจะฟังอะไรก็ไม่ค่อยได้ยินเหรอจะกินอะไรก็กินไม่ได้หมอห้ามหมดไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีน้ำตาลก็ไม่ให้กินไขมันก็ไม่ให้กิน เกลือก็ไม่ให้กินให้กินของจืดจืดชืดชืดเนี่ยไม่มีรสไม่มีชา ต, ตอนนั้นก็ทุกข์ว่าไม่ไม่สามารถเสกดูเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านเห็นอนาคตว่าต่อไปจะต้องทุกข์เนี่ยตอนนี้กําลังมีกําลังวังชาตอนนี้กําลังมีอํานาจเนี่ยอยากจะได้อะไรก็สั่งได้ อยากจะได้อีนัอีนักี่คนก็สั่งมาได้อยากจะได้อาหารชนิดไหนก็สั่งมาได้อยากจะได้เครื่องดื่มชนิดไหนก็สั่งได้อยากจะดูบันเทิงชนิดไหนก็สั่งมาดูได้แต่มองไปข้างหน้าเห็นว่าต่อไปตัวเองต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต่อไปมันจะสั่งไม่ได้สั่งมาก็ดูไม่ได้ไม่มีกำลังที่จะดูไม่มีกำลังที่จะฟัง ก็เลยหาทางออกหาหาวิธีว่าทำไมจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องอไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องใช้ร่างกายเพราะร่างกายนี้ต่อไปใช้ไม่ได้ต่อไปเวลามันแก่เวลามันเจ็บเวลามันตายจะใช้ร่างกายไม่ได้พระองก็เลยเห็นพวกนักบวช ก็เได้ศึกษาดูว่าพวกนักบวชนี่เขาทําอะไรเขากําลังหาความสุขอีกแบบหนึ่งความสุขที่ไม่ต้องใช้ร่างกายความสุขที่ไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสความสุขที่เกิดจากการอยู่คนเดียวอยู่กับความว่างอยู่กับความสงบเวลาเวลาไปอยู่คนเดียวใหม่ๆ ม, มันไม่สงบเพราะมันยัง ควายคว้าหาลูกเสียงกลิ่นรดเยื่อตอนนั้นต้องดึงมันไว้ตัดมันมันเหมือนชักกรเยาะกันเนี่ยเวลาเลิกมันใหม่ๆนี่มันจะคอยดึงเรากลับไปเลยเวลาบอกวันนี้ต่อไปนี้จะเลิกดื่มกาแฟลองดูสิอย่างนันก็จะคอยชวนเรากลับไปดื่มใช่ไหมเราก็ต้องมีกําลังดึงมันไว้ <c oughs> สิ่งที่จะดึงใจไม่ให้ไปกับความอยากได้ก็คือสตินี่ลนะ่ะ ต้องฝึกสติให้มากๆสร้างสติขึ้นมาสติก็คือการนั่รู้อยู่ให้รู้เฉยเฉยไม่ให้ทำอะไรไม่ให้ทำตามความคิดให้หยุดความคิดเวลาคิดอยากจะดืมกาแฟก็หยุดมันเวลาคิดอยากจะไปเที่ยวก็หยุดมันอย่าปล่อยให้มันคิดถ้ายังคิดแล้วมันยิ่งอยากยิ่งอยากยิ่งทรมานย์ใ วิธีใช้สติสร้างสติก็มีหลายวิธีวิธีง่า ย, ง, ายง่ายก็คือใช้พุโทโธเนี่ยท่องพุโทโธพุธโทโธไปพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดพอมันไปคิดแล้วใจก็จะว่างใจก็จะอยู่กับความว่างได้อยู่กับการไม่มีกาแฟดื่มได้ต้องคอยคุมความคิดไว้เพราะความคิดมันจะนำไปสู่ความอยาก พอคิดถึงกาแฟก็อยากจะดื่มกาแฟคิดถึงขนมก็อยากจะดื่มค่อยากจะกินขนมคิดถึงแฟนก็อยากจะไปหาแฟนคิดถึงอะไรมันก็อยากตามความคิดนั้นถ้าคิดถึงพระพุทธเจ้ามันก็จะไม่อยากพุทโธพุทโธพุทโธไปเนือคิดถึงบทสวดมนต์คำสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้คิดถึงพระธรรมคําสอนก็ได้ท่องบท พระสูตรต่างๆธรรมจักมงคลเราสูตรสติปัฏฐานสูตร <c oughs> ท่องคาแปลก็ได้ถ้าท่องคาแปลได้จะไ ด, ได้ได้ปัญญาด้วยได้ความรู้ได้ความเข้าใจว่าเรากำลังท่องเรื่องอะไรอยู่ <c oughs> ถ้าท่องภาษาบาลีจะไม่เข้าใจความหมายเหมือนถ้าเราไม่รู้จักภาษาอังกฤษแล้วเราไปท่องภาษาอังกฤษ เป็นเวลาเราฟังเพลงอังกฤษเราก็ร้องตามได้แต่ไม่รู้ความหมาย I love you เป็นยังไง I need you เป็นยังไงฟังก็ไม่รู้แต่ท่องได้แต่ไม่เข้าใจความหมายส่วนบาลีก็เหมือนกันอิติปิโสภะ ก, กาวาอาหลังสัมมาสัมพุทโทธก็ท่องได้แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอารหลังสัมมาสัมพุทโทธแปลว่าอะไรพระอาหลังสัมมาสัมพุทธเจ้า อาหารแปลว่าอะไรก็ไม่รู้อัลหารก็คือผู้สิ้นกิเลสผู้ไม่มีความโลภความโกรธความหลงผู้ที่สิ้นกิเลสได้ด้วยตนเองก็เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าสิ้นกิเลสด้วยการสั่งสอนของผู้อื่นก็เป็นพระอาลหลานตัสสาวกุกสวากขาโตพระกะตาธรรมโมเนสวากขาโตอ่ะสุปฏิปนุยะ สามีจิสุปัติปนโนสวากออะไรเป็นอะไรสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอสาภาะภะกวาโตซาวะกัสังโคสาวกสงสาวกเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าสาวกแปลว่าผู้ศึกษาผู้ล่ําเรียนเรียนร่าเรียนจากพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตาสาวกเป็นพระอรหันตเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ด้วยการศึกษาล่ําเรียนจากพระพุทธเจ้าน พระอาหารหันต์มีสองชนิดนอาหารหันต์ตัศวกอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเป็นสิ้นกิเลสได้ด้วยตนเองพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีใครสอนเพราะไม่มีใครรู้วิธีทําให้จิตหมดกิเลสสิ้นกิเลสต้องศึกษาต้องค้นคว้าหาเองพอทําจิตของตนให้สิ้นกิเลสก็เรียกตนเองว่าเป็นอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้สิ้นกิเลสได้ด้วยตนเอง ส่วนผู้ที่มาศึกษาต่อจากพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าเป็นภาษาวกเป็นพระอาหารหันต์ภาษาโภเป็นผู้สิ้นกิเลสด้วยการเป็นผู้ศึกษาเป็นผู้ฟังจากผู้จากพระพุทธเจ้าอีกทีหนึ่งถ้าเราถ้าเราท่องเป็นภาษาไทยได้เราก็จะได้ความรู้ <c oughs> แต่ถ้าเราท่องภาษาบาลีส่วนมานตั้งแต่เด็กจ น, นจนแก่ก็ยังไม่รู้ความหมายาส่วนอะไร ลองไปถามคนแก่ดูะยายสวดอะไรรู้ปะไม่รู้หรอกก็สวดไปอย่างนะั้นเขาให้สอนให้สวดก็สวดมันก็ลยไม่มีวันที่จะมีดวงตาเห็นธรรมไม่มีปัญญาเป็นการสอนให้ฝึกสติให้ฝึกมีสมาธิเท่านั้นเองแต่ไม่มีปัญญาให้หยุดความฟุ้งซ่านเวลาไม่สบายใจคิดมากก็สวดมนซะ สวดโมล้ะควา ม, ส, มสบายใจก็จะหายไปแต่พอหยุดสวดเดี๋ยวไปคิดใหม่ก็ฟุ้งขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามีปัญญานี่จะรู้เลยว่าเราฟุ้งเพราะอะไรฟุ้งเพราะความอยากอยากได้นูน่นอยากได้นี่ยังไม่ได้ก็คิดถึงมันอยู่นั่นนะ้องการมันจะได้มันจะหยุดคิดถ้ามันยังไม่ได้มันก็คิดเข้ามันอยู่นั่นนะยิ่งคิดก็ยิ่งฟุ้งใหญ่ยิ่งคิดก็ยิ่งเครียดยิ่งคิดก็ยิ่งเศร้า คิดยังไงมันก็ไม่ได้อย่าไปคิดท่านเสียเวลาคิดแล้วทำให้เราทุกข์ให้เราฟุ้งไปเปล่าเราหยุดคิดดีกว่ามาหยุดความอยากดีกว่ามาเลือกหาความสุขปลอมดีกว่าตอนนี้เราไม่รู้ว่าเรากำลังหาความสุขปลอมเราคิดว่าเรากำลังหาความสุขจริง เวลามันจากเราไปเราก็ยังไม่รู้ว่ามันเป็นความสุขปล่าก็ยังคิดว่าเป็นความสุขจริงยังอยากให้มันกลับมาอยากยังไงมันก็ไม่กลับมาแล้วกาแฟที่ดื่มไปมันหมดแล้วมันไม่กลับมาแล้วถ้วยนั้นมันเป็นปัสสวะไปแล้วมันไม่กลับมาก็หากาแฟถ้วยใหม่กี่ถ้วยมันก็เหมือนกันพอดื่มแล้วมันก็หมดไปหายไป พาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์งั้นลองเลิกดื่มดูสิแล้วจะสุขเวลาเลิกดื่มได้นี้ต่อไปไม่ไม่เดือแล้วนมีกาแฟาไม่มีกาแฟาไม่เดือดร้อนเฉยเฉยเห็นกาแฟาก็เฉยเฉยกาแฟาหมดก็เฉยเฉยแต่คนที่ติดกาแฟาเห็นขวดกาแฟาโอ้ดีใจอพอกาแฟาหมดมนดั้นเดือดร้อนแล้ว ลองไปเสพอะไรแล้วมันจะติดติดแล้วมันต้องเสพอยู่เรื่อยๆพอถึงเวลาที่ไม่ได้เสพมันก็จะเดือดร้อนเราจึงเรียกว่าเป็นความสุขปลอมเป็นความเดือดร้อนที่แท้จริง <Yeah. S 1> เรากำลังหาความเดือดร้อนกันหาความทุกข์กัน <Yeah. S 1> ด้วยการเสพสิ่งที่มันไม่ mm. มันไม่ใช่เป็นความสุขจริงเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขปลอมกัน พอมันจางหายไปมันก็มันก็ปล่อยให้เราอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายไขว่คว้าหาความสุขใหม่หาควันไฟอันใหม่พอควันอันนี้หมดก็ไขว่คว้าหาควันอันใหม่พอได้ควันอันใหม่มาเดียวมันก็หายไปเนี่ยมองดูได้มีอะไรที่ได้มาแล้วไม่หายไปไม่หมดไปงแต่ว่ามันช้าหรือเร็วเท่านั้นเอง ของบางอย่างมันมาปั๊บก็หมดละกินอะไรเข้าไปปั๊บมันก็หมดละดื่มอะไรเข้าไปปั๊บมันก็หมดละฟังอะไรเสร็จมันก็หมดไปละดูอะไรเสร็จมันก็หมดไปละของบางอย่างมันก็นานหน่อยเช่นบ้านเนี่ยกว่าจะพังเนี่มันหลายปีเสื้อผ้านี่กว่าจะขาดมันก็นานบางทีมันจึงทำให้เรามองไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวกัน ของทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้จากของต่างๆในโลกนี้ก็เป็นความสุขชั่วคราวมองให้มันเห็นเนี่ยที่มันให้มีดวงตาเห็นธรรมเนี่ยให้เห็นว่าของทุกอย่างนั็นของชั่วคราวอันนี้แหละคือมีดวงตาเห็นธรรมรมสิ่งใดมีการเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดา มีอะไรไม่ดับมะมีอะไรเกิดมาแล้วไม่ดับนะ่งเพียงแต่ว่ามันจะช้าหรือจะเร็วเท่านี้นีน่ไอ้พวกตัวสะสมถือเนี่ยอีกสักไม่กี่ปีมันก็ไปอยู่ในกองขยะก็ดูของที่อยู่ในกองขยะวันนี้เลยมันก็เป็นของใหม่ที่อยู่ในมาออกมาจากร้านทั้งนั้น่ะมันไม่มีของเก่าหรอกของที่เราไปเก็บที่กองขยะไปดูเลยของที่เขาทิ้งของที่เขาเออ เขาไม่ต้องการแล้วมันก็เป็นของใหม่ทั้งนั้นน่ะออกมาใหม่ๆเ อ, อกจากโรงงานมาใส่กล่องมาพอเอามาใช้อะไรสักพักเดี๋ยวมันก็กลายเป็นของเก่ากลายเป็นของพังเลยแหงมไอโฟนรุ่นที่รุ่นแรกขายไปไหนนะไปอยู่ที่กองขยะนะนี่เป็นนี้รุ่นเก้ารุ่นสิบก็ไปละ เดียวายรุ่นสิบมันก็ไปอยู่กองขยะเดี๋ยวพอรุ่นยี่สิบออกมารุ่นสิบมันก็กลายเป็นตายเป็นเศษขยะไปเองเราต้องมองให้เป็นสิมองให้มันฉลาดเนีย้ยมันก็จะตะคบเงาไปเรื่อยๆเห็นเป็นของใหม่ไปเรื่อยๆความจริงมันเงาตัวเก่าแล้ ว, ลวก็ตามมันไม่ทันสักทีพอได้รุ่นสิบแล้วอ่เดี๋ยวปีหน้ารุ่นสิบเอ็ดออกมาแล้วสิ ไอ้รุ่นนี้ก็กลายเป็นของเก่าไปแล้วต้องซื้อใหม่เลยจ่ายเราถูกหลอกให้อ่านหนังสือให้ฉลาดไม่ชอบเอาเันชอบถูกหลอกกั น, นถ้าอ่านหนังสือธรรมะแล้วจะเห็นว่าเรากำลังถูกหลอกกันเรากำลังวิ่งตะคุบเงากันเร า, ากำลังไปหาความสุขปลอมกันเรากำลังวิ่งเอาความเอาควันไฟกัน อันไฟนี่จะคุ้มมันได้นะตอนจุดมันพรับเดี๋ยวมันก็จางหายไปละนจุดเท่าไหร่มันก็จางหายไปเท่านั้นอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างนี่มันอยู่ตลอดเวลาอยู่กับความว่างมีความสุขได้แต่เราไม่รู้กันและเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่เราได้จากสิ่งต่างๆเสียอีกอันนี้แหละเป็พระพุทธเจ้าเป็นผู้พิสูจน์เป็นคนแรก วความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงอยู่ที่ความว่างนี่เองอยู่ที่ความสงบของใจใจจะสงบได้ใจจะต้องอยู่กับความว่างอยู่กับการไม่มีอะไรไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสไม่มีลาบยศจระเริญอย่างพวกเราต้องเข้าใจอย่าถูกหลอกพวกเราหลอกกันเองตาบอดคนตาบอดนา เหมือนกับคนตาบอดนําทางคนตาบอดมันจะไปไหนแล้วมันก็เดินชนต้นไม้เดินตกหลุมตกบ่อกันนะั่นเนี่ยถ้าเราอ่านหนังสือทางโลกเนี่ยมันหลอกให้เราไปตกหลุมตกบ่อกันนะหลอกให้เราไปหาราบยศสละเสริญหลอกให้เราไปหารูปเสียงกลิ่นรดกันแล้วก็ต้องมาทุกข์กัน ไปดูพวกที่แก่ๆเลยพวกม้าเศรษฐีมีหมื่นล้านแสนล้านตามเวลาแก่ทําไงทําอะไรไม่ได้หาความสุขได้นั้นจากเงินหมื่นล้านแสนล้านหาไม่ได้หรอกร่างกายเมื่อมันแก่แล้วมันไม่สามารถที่จะทําตามความอยากต่างๆได้ก็เหมือนกับคนที่ติดยาเสพติดแล้วไม่มียาเสพถึงมีถึงแม้มีเสพก็เสพไม่ได้เวลาไม่สบายอยากจะเสพ อยากจะเสกยาไหมเวลาไม่สบายมึงปวดรวดเล้าไปทั้งตัวมีจะมีกระจิตกระใจมาหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่ไหนมันก็จะมีแต่ความทุกข์จากความเจ็บปวดของร่างกายจากความอยากให้ความเจ็บปวดของร่างกายหายไปไม่หายก็อยากจะฆ่าตัวตายเพราะทนอยู่กับความเจ็บปวดทนอยู่กับความทุกข์ไม่ไหวนี่เป็นนี่เป็น ที่ไปของพวกเราเนี่ยจำไว้เดี๋ยวจะต้องแก่เดี๋ยวจะต้องเจ็บกันแล้วเดี๋ยวก็จะเห็นฤทธิ์ของความสุขปลอมว่ามันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เลยแต่ถ้าเรามีความสุขจริงนี่เวลาเราแก่แล้วเจ็บเราตายนี่เราไม่เดือดร้อนความสุขจริงนี่ไม่ได้หายไปกับความแก่ความเจ็บความตายความสุขจริงนี่อยู่กับความไม่มีอยู่กับความว่าง ตราบใดมีความว่างความสุขใจนั้นก็จะมีเสมอไม่ต้องมีร่างกายไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสไม่ต้องมีทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ต้องมีคนนนคนนี้มาห้อมล้อมเวลาตายนี้มังจะเรียกมาประชุมกันล้วเกินต้องมาอยู่ข้างเตียงจะได้ตายอย่างสงบมันไม่สงบหรอกคนตายมันจะสงบได้ไง ถ้ไม่เรียนก็ไม่รู้ถ้าไม่อ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้ก็จะหลงหลวงคิดว่าชีวิตนี้มีความร่าเริงสนุกสนาน เ, เป็นเหมือนงานเลี้ยงที่ไม่มีวันสิ้นสุดนแ อ, อ, อ, อ่เขาก็มีสุภาษิตบอกไว้แล้วว่างานเลี้ยงย่อมมีวันสิ้นสุดแต่พยายามอ่านหนังสือธรรมะแล้ว เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยอันนี้เป็นคําสอนเป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นที่เรามาลูกกระพราะได้เราได้มาอ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาสอนเราว่าเอาเราอย่าไปหาความสุขปลอมเลยเี่ยเมื่อก่อนเราก็หาความสุขปลอมเหมือนกันหาลูกเสียงกลิ่นรยอดหาราบยอดหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆ แต่พอดูความจริงมันก็เห็นว่าอ๋อมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดียวเแล้วต้องหาอยู่เรื่อยๆพอวันไหนหาไม่ได้ก็ทุกข์เวลาไม่สบายนี่สุขกี่ทุกข์เวลาต้องอยู่บ้านไปเที่ยวก็ไม่ได้ไปกินไปเล่นอะไรก็ไม่ได้อยู่บ้านก็เหงาจาเป็นไข้ นั่นแะวเวลาที่ไม่สามารถเสพลูกเสียงกลิ่นรสผดทะพะได้มันก็ทุกข์ความจริงความเจ็บไายได้ป่วยมันไม่ทุกข์หรอกมันไม่ได้ทําให้ใจทุกข์ความอยากเสงหาความสุขปรอม น, นี่แหละเราหาไม่ได้เนี่ยมันเป็นความทุกข์ทาให้ใจทุกข์ถ้าเราไม่มีความอยากจะหาความสุขปลอมนนเวลาเจ็บไายได้ป่วยล้วใจจะไม่ทุกข์ใจก็ก็ไม่เดือดร้อน พอไม่ได้หาความสุขอยอะอยู่เฉยๆอยู่ดีร่างกายจะเจ็บหรอไม่เจ็บก็อยู่เฉยๆได้ไม่ต้องมีอะไรวิธีที่เราจะอยู่กับความว่างได้เราต้องเราต้องหยุดความอยากให้ได้เวลาเกิดความอยากเราต้องใช้สติหยุดมันใช้ปัญญาหยุดมันใช้สติก็หยุดได้ชั่วคราว ใช้ปัญญาก็หยุดได้ถาวรปัญญาก็คือเห็นว่าการไปเสพการไปหาความสุขความนี้มันไม่ใช่เป็นการหาความสุขเป็นการหาความทุกข์เพราะเวลาที่มันหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมาความสุขที่ได้พอได้มาแล้วหมดไปมันก็กลายเป็นความทุกข์เห็นไหมคนเวลาแต่งงานใหม่ๆโอ้โหจัดงานเลี้ยงกันะ ม้ข้าวยังไม่ทันดำเลยตีกันแล้วตอนนั้นสุขเรื่อดุ้กก็เวลาตีกันเนี่ยทำไมต้องตีกันด้วยทำไมไม่สุขกันเหมือนวันแต่งงานไปซเจะกระทั่งวันตายมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรามันเปลี่ยนไปอารมณ์เราเปลี่ยนไปเวลาเราได้อะไรมาโอ้โหเทอดทูนเหมือนกับเป็นพระเจ้า พอได้มาแล้วกลับกลายเป็นเอามาใช้เป็นคนรับใช้ไปเวลาได้แฟนมาใหม่ๆนี่เทอดทูนเหมือนพันพระเจ้าพอได้แฟนมาแล้วเดี๋ยวแปลงให้มันเป็นคนรับใช้ไปแล้วสั่งมันทำนูน่นทำนี่พอเกิดมันไม่ทำขึ้นมาก็โกรธมันละเคยรักกันแสนจะเกินกิ่นก็เลยกลายเป็นเกลียดกันไปเพราะขัดใจเราท่านเองเพราะไม่ทาตามคาสั่งเรา พอสั่งให้ทำนู่นทำนี่หน่อยไม่ทําปั๊บนี่เราก็ไม่พอใจแนะถ้าไม่ทําตามเดี๋ยวก็เสียใจถ้าไม่โกรธก็เสียใจน้อยใจเนี่ยเป็นความทุกข์นะแตถ้าอยู่กับความว่างนี้มันไม่มีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะไม่มีมั น, ม, นมันไม่มีอะไรจะได้จากความว่างจะสั่งความว่างให้มันเป็นอะไรมันก็ไม่เป็นเราก็รู้อยู่แต่ต้นและ ความว่างนี้เราไม่หวังอะไรจากมันเมื่อเราไม่หวังอะไรจากมันเราก็จะไม่ผิดหวังที really? ่เราผิดหวังเพราะเราไปหวังจากเขาพอเขาไม่ตอบสนองความหวังของเราเราก็ผิดหวังเราก็เสียใจแต่ความว่างนี้เขาจะซื่อสัต์ตลอดเวลาเขาคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายเขาไม่มีอะไรให้เราและเขาก็จะไม่เปลี่ยนเขาก็จะไม่มีอะไรให้เราไปตลอด เมื่อเขาไม่มีอะไรให้เราเราก็ไม่หวังอะไรจากเขาเมื่อเราไม่หวังอะไรจากเขาเราก็ไม่เสียใจเพราะเรารู้ว่าเราจะไม่ได้อะไรจากเขาเมื่อเราไม่ได้เราก็ไม่เสียใจเนี่ยอยู่กับความว่างดีที่สุดแต่เราอยู่กันไม่ได้เพราะเราสู้ความอยากที่จะไปอยู่กับความสุขปลอมกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะ สู้กับความอยากที่จะให้เราไปหาความสุขปลอบกันเนั้นสิ่งที่เราต้องมาสร้างกันก็คือความสร้างสติสร้างปัญญาสองตัวนี้สติก็ต้องหมั่นพุทโธพุทโธไปมันหยุดความคิดมันให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่าให้มันไปคิดถึงอดีตถึงอนาคตอย่าให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันรู้เฉย จิตเรามีสองหน้าที่มี M. สองส่วนส่วนที่คิดกับส่วนที่รู้ส่วนที่รู้นี่ไม่เป็นอันตรายเป็นประโยชน์แต่ส่วนที่คิดเนี่ยมันเป็นอันตรายตอนนี้เพราะมันถูกความหลงหลอกให้ไปคิดในทางความอยาก <S 2> <S 2> แต่ถ้าเราแก้ความหลงได้ไม่ให้มันไปคิดทางความอยากมันก็จะคิดไปในทางไม่อยากคิดไปในทางที่จะทำให้เรามีความสุขคิดไปในทางปัญญามันก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาเกิดความรู้ ที่จะทําให้เราไม่หลงให้เรารู้ว่าความสุขที่แท้จริงนั้นอยู่ที่ความว่างนี่อยู่ที่ความไม่มีอะไรถ้ามีอะไรแล้วมันต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีเสมอคนที่มีคนที่ไม่มีแฟนกับคนมีแฟนนี่คนไม่มีแฟนก็ทุกข์กับแฟนไหมไม่มีแฟนจะทุกข์ด้วยแต่คนที่มีแฟนทุกข์กับแฟนหรือเปล่าคนที่มีลูกทุกข์กับลูกก็เปล่าคนที่ไม่มีลูกเขาทุกข์กับลูก ก็ไม่มีอะไรต้องทุกข์สรุปแล้วก็คือมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่เรามีงั้นอย่าไปมีถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่าไปมีอย่าจะมีอย่าไปมีอะไรแม้แต่ร่างกายก็ได้อย่าไปมีมีร่างกายก็ทุกข์ทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นทุกข์ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดเท่านั้นถ้่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ต้องไม่มีอะไรเลย ต้องไม่มีราบยศยสรรเสริญต้องไม่มีลือกเสียงกลิ่นรสผลตพะต้องไม่มีร่รกกรางากายของเราของใครทั้งนั้นของพ่อของแม่ของพี่ของน้องของใครก็เรื่องของเขาเขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาเราอย่าไปผูกตัวเราไปติดกับเขาก็แล้วกันอเขาอยู่ก็อยู่เขาไปก็เรื่องของเขาแล้วเราจะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปผูกติดกับเขาเนี่ยพอเขาเป็นอะไรไปเราก็ทุกข์ไปกับเขา แล้วเขาต้องเป็นกันทุกคนทุกคนเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนเราจึงทุกข์กับสิ่งต่างๆทุกเพราะว่ามันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆเนี้ยที่ทําให้เราทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวต้องดับไม่ดับก็มีการเปลี่ยนแปลงจากดีกลายเป็นของไม่ดีไปเพราะฉะนั้นเนีพยายามมาอ่านหนังสือธรรมะกันเนี่ยอุตส่าห์พิมพ์หนังสือธรรมะมาให้อ่านกัน เอาไปไม่รู้กี่เล่มไม่รู้ได้อ่านกันบ้างหรือเปล่ า, าต่อไปน่าจะต้องทําข้อสอบถามนะทําข้อสอบกันดูบ้างว่าอ่านกันจริงหรือเปล่ า, าตอนนี้เด็กเขากาลังสอบกัน ท, ทาไมโรงเรียนก็ต้องสอบเด็กอะ่ะเพราจะได้รู้ว่าเด็กอ่านหนังสือหรือเปล่ า, าถ้าไม่อ่านมันผลมันจะตอบเองอะ่ะเดี๋ยวมันสอบตอบก็แสดงว่ามันไม่ได้อ่าน เด็กที่สอบได้คะแนนสูงๆนี่แสดงว่ามันอ่านอ่านแล้วมันก็จะฉลาดแล้วมันเวลาไปทํำงานกินมันก็หางานได้เก่งกว่าคนอื่นหาเงินได้เก่งกว่าคนอื่นเพราะมันฉลาดมันรู้วิธีหาเงินหาความสุขแต่เป็นความเงแต่ว่ามันไปหาความสุขปลอมเท่านั้นเองเรียนทางโลกมันจะสอนให้เราไปหาความสุขปลอมถ้ามาเรียนทางธรรมจะสอนให้เรามาหาความสุขจริง การหาความสุขจริงก็ต้องหยุดการหาความสุขตอนเท่านั้นเองจะหยุดได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาสองตัวนี้พยายามาสร้างสติกันพยายามพุโทโธกันบ่อยๆหยุดความคิดกันบ่อยๆปัญญาก็คิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์เกิดมาแล้วเดี๋ยวมันดับได้อะไรมาแล้วเดี๋ยวมันดับเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวมันต้องดับไปเนี่ยคือดวงตาเห็นธรรมเนแค่นี้เห็นว่าทุกอย่างมีการเกิดแล้วต้องมีการดับ อย่าไปยึดอย่าไปติดกับสิ่งที่เกิดแล้วต้องดบับเพราะเวลามันดับแล้วจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไม่ยึดไม่ติดเราจะไม่ทุกข์จะไม่ยึดไม่ติดได้เนี่ยก็ต้องอฝืนความอยากให้ได้หยุดความอยากให้ได้หยุดได้ก็ต้องมีสติมีปัญญาเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวหาปุราปาริปุเรนติสากขังเอวเมวะอิต e ุทินังเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิต um ังตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนาหะโสยะถามณิโชติ อระโสยะาสัพติโยวิวัจจันตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตราโยสุขีทีคาโยโกภวะอภิวาธนสีลิธะนิจังวุฒาปจายโนจตารโอธรมาวาทานติอายุวันโอสุขัง ลใครอยากจะถวายข้าวของต่อก็ได้นะท่านท่านที่มาทีหลังท่านที่อยากจะกลับก็กลับได้นปล่อยละเปิดปล่อยให้กลับบ้านได้นะนักเรียนอย่าลืมไปทำการบ้านนะอเอาหนังสือไปอ่านอย่างนันนะ อย่าไปเปิดหนังสือแฟชั่นหนังสืออะไรหนังสือฟรีดีๆไม่เอาชอบหนังสือไม่ดีเสียเงินชอบของเสียเงินของไม่ดีของเสียงของเสียเงินกับชอบอันนี้ facebook เข้ามาเท่าไหร่อันนี้เฟซบุ๊กสูงสุดสามร้อยปสิบแปดค่ะฮานยูทูบเก้าสิบหกค่ะออื อใจเราเนี่ยถ้าเราไปโต้ตอบมันจะไม่มีวันสิ้นสุดมันจะวุ่นวายถ้าใครก็พูดอะไรไม่ชอบใจเราเราก็เฉยเฉยพุโทโธพุโทโธเราไปปล่อยเขพูดไปทําใจเราเป็นเหมือนต้นเสาเนี่ยลองไปคุยไปด่าต้นเสาดูเลยด่ามันสักพักเดียวก็เหนื่อยเองอะ่ะต้นเสามันไม่ตอบโต้มันไม่มีอะไรถ้าเราทําใจเราให้เฉยเฉยไม่ตอบโต้ได้ ก่อนจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปเดี๋ยวก็เดี๋ย ว, ก, ยวก็หุบปากเองอไม่ต้องไปสั่งให้เขาหุบปากหรอกไม่ต้องไปขอร้องให้เขาหุบปากเดี๋ยวเขาเมื่อยเขาก็หุบเองอไอ้สิ่งที่ทําให้เขาไม่เมื่อยก็คือเราไปตอบโต้เขาเลยพราะเาด่าเราเราก็ดา่กดากลับมันก็ยิ่งทําให้เขามีกําลังขึ้นมีกําลังพูดมากขึ้นด่าได้แรงขึ้นหนักขึ้น อ, อ, อีกเดี๋ยวก็ตีกันเดี๋ยวก็ฆ่ากันะ ทำใจให้นิ่งเราจะปลอดภยัยจะมีความสุขไม่ว่าเราจะไปสัมผัสรับรูบร้กับเรื่องอะไรทำให้เป็นเสากับแผ่นดินล่ะค่ะอ่าเนาะเฉยเให้มันเฉยอย่างเดียวอย่าไปตอบตัวอะไรกับใครทั้งนั้นใครจะชมก็เฉยไม่ต้องยิ้มไม่ต้องดีใจไม่ต้องบอกขอบคุณค่า แล้ววัานไหนเขาไม่ไม่ได้บอกว่าสวยหน่อยก็จะเสียใจแล้วทำไมวันนี้ไม่บอกว่าหนูสวยไม่ชอบหนูแล้วเหรอคิดมากไปนะถามจ้าคุณวันตาค่ะเวลาเราปวดน้าเรากวดอุทิศส่วนกุศลให้ใครคะนึกถึงตัวเราเองหรือคนที่เรารักที่ยังมีชีวิตอยู่หรือว่านึกถึงญาติผู้ที่ร่วงลับไปแล้วคะ่ะ เวลากลวนน้ำนี่มันเป็นการส่งอาหารให้กับคนที่ตายไปแล้ว <c oughs> คนที่ตายที่ไม่มีอาหารติดตัวไป <c oughs> เหมือนกับเราเอาอาหารไปให้นักโทษอย่างเงี้ยสมมุติกับว่าญาติเราไปติดคุกเนี่ยเราก็เป็นห่วงเขาเราก็ไปเยี่ยมเขาแล้วก็ซื้อข้าวผัดก๋วยเตี๋ยวผัดอะไรไปฝากเขาให้เขาได้มีของกินคนตายก็คนตายที่เวลาอยู่ก่อนที่ตายไม่ได้ทําบุญเนี่ย เวลาตายไปก็ไม่มีบุญติดตัวไปบุญนี้เป็นอาหารของดวงวิญญาณ <c oughs> พอดวงวิญญาณไม่มีอาหารมันก็หิวมันก็ทุกข์แต่พอเราส่งอาหารไปให้เขาส่งบุญไปให้เข า, เขาก็อิ่มเขาก็มีความสุขเหมือนกันเราไปเยี่ยมคนที่ติดคุกติดตารางนี้อันนั้นก็ต้องอุทิศให้คนที่ตายไปแล้ว แล้วคนที่ตายไปแล้วต้องเป็นคนที่ไม่มีบุญติดตัวไปถ้าคนที่มีบุญติดตัวไปจะแสดงว่าเขาไม่ได้ไปติดคุกเขาไปเที่ยวเขามีเงินไปเที่ยวพวกที่มีบุญไปเนี่เขาเรียกไปสวรรค์สวรรค์ก็คือที่ท่องเที่ยวเหมือนที่เราไปเมืองนอกอย่างเงี้ยเวลาเราไปท่องเที่ยวเมืองนอกนี่เราต้องมีเงินติดตัวไปเราถึงไปได้ถ้าเราไปเมืองนอกแบบไม่มีเงินติดตัวไปเราก็ต้องไปทํางาน ไปหาเงินต่างกันพวกที่ไม่มีเงินติดตัวไปพอไปเมืองนอกก็ต้องไปหาเงินหางานถ้าหาไม่ได้ก็ต้องให้บ้านทางบ้านส่งไปให้อันนี้ก็เหมือนกันวเวลาเราตายไปก็เหมือนเราไปเมืองนอกถ้าเรามีเงินติดตัวไปเราก็ไปเที่ยวถ้าเราไม่มีเงินติดตัวเราก็ต้องไปเป็นขอทานไปไปอยู่แถวตามวัดที่เนี่ยมีคนมาทำบุญแล้วก็ราให้เขาอุทิศบุญให้ แต่ถ้าเขาไม่ให้ก็เราก็เขาก็ไม่ได้คนที่ทำบุญนี้ต้องบอกว่าเขาทิศบุญนี้ให้กับดวงวิญญาณชื่อนั้นชื่อนี้หรือถ้าไม่ไม่รู้จักชื่อหรือบอกว่าหรือถ้าคนที่บอกชื่อนั้นชื่อนี้ไม่อยู่ตรงนี้ก็ให้ใครก็ได้ดวงวิญ ญ, ญาณไหนที่รออยู่ก็รับไปก็แล้วกันอย่างนี้เขาก็รับได้เพราะบางทีเขาไม่มีญาติพี่น้องที่เชื่อบุญเชื่อบาป เขาเวลาตายไปแล้วก็ไม่มีใครทําบุญส่งไปให้เขาเขาก็ต้องไปขอบุญของญาติพี่น้องของคนอื่นที่เขาเผืส่งไปให้ญาติพี่น้องของเขาแล้วพอดีญาติพี่น้องเขาเป็นเทวดาไปสวรรค์ไม่ต้องอาศรรยัยบุญที่เขาส่งไปให้บุญที่เขาส่งไปให้ก็ให้พวกที่ไม่มีญาติไปก็ได้งั้นเวลาเราทิศบุญนะอาจจะบุตรทิศอย่างนี้ขอทิศุญ ส, ส่วนนี้ให้กับคนนั้นคนนี้ เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้าท่านไม่ต้องการบุญนี้ก็ขอให้ผู้ที่ไม่มีญาติมารับไปก็แล้วกันอย่างนี้เราก็ยังจะได้บุญจากการอุทิศบุญคำถามจากคุณพิมพรเมื่อใจเราอยากจะให้ของกับผู้อื่นเราได้ให้น้ํากับขนมให้กับคนที่ส่งจดหมายมาให้แล้วเขาก็ดีใจยกมือแบบนี้ถือว่าเป็นการแผ่เมตตาให้เขาใช่ไหมเจ้าคะ ในการแผ่เมตตาเป็นงานทำทานเป็นการแบ่งปันความสุขของเราให้แก่ผู้อื่นคำถามจักคุณอรารยานั่งสมาธิได้สักพักรู้สึกจิตนิ่งแต่เคยเรียนถามท่านแล้วท่านสอนว่าจิตที่นิ่งสงบอาจจะเป็นเพราะหรับแต่ครั้งนี้พยายามรู้ตัวและสำรวจว่าความนิ่งและสงบนี้เป็นเพราะง่วงหรือเปล่าจิตก็ยังนิ่งสงบดังเดิม อย่างนี้เรียกว่าจิตรวมแล้วใช่ไหมใ่คะเพราะไม่ได้ง่วงรู้ตัวตลอดเวลาก็จะรวมนิดหน่อยถ้ารวมมากๆนี่มันจะมหาสัจจใจมันเหมือนกับได้ถูกรอเตอรี่รางวัลที่หนึ่งมันจะมีความรู้สึกที่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือถึงจะเรียกว่ารวมจริงๆแต่อันนี้เัียงเพียงแต่สงบนิดๆหน่อยๆเพียงแต่เข้าไปนิดหนึ่งยังเข้าไปไม่เต็มร้อย ถ้ากอดไปเต็มร้อยแล้วมันจะมหัศจรรย์ใจมันจ ะ, นจะ ต, นตื่นตาตื่นใจมันจะร้องโอยว่าเป็นอย่างนี้เหออรออวามสงบเป็นอย่างนี้เหรอคำถามจากคุณธนพรอชอบกินหอยแครงลวกเราสั่งแม่ค้าทาเราจะผิดสินข้อหนึ่งไหมเจ้าคะถ้าหอยแครงนั้นยังมีชีวิตอยู่สั่งให้เขาฆ่าก็ผิดถ้าหอยแครงนั้นตายแล้วสั่งก็ไม่ไมผิด แล้วต้องถามก่อนว่าหอยแข็งนี่ตายหรื อ, อยังถ้าตายแล้วก็สั่งมากินได้ให้เขาลูกได้หรือสัตว์อย่างอื่นปลาปูเนี่ยที่เขาใส่ถ้าเขาใส่ในในตู้เนี่ยที่หน้าร้านเนี้ยในตู้ในถังแล้วก็ชี้เอาปลาสดๆตัวนี้มากินเนี่ยก็สั่งให้เาขาฆ่าแนหะถ้าอยากจะไม่บาปก็ถามก็าปลาที่ตายแล้วมีไหมเอาปลาที่ตายมาให้ตัวหนึ่งก็แล้วกันเอาปลาทอดเอาปลาที่ตายแล้วใครฆ่ามันเราไม่สนใจ มันจะตายด้วยเหตุใดไม่สนใจขอให้มันตายก็แล้วกันถ้ามันตายแล้วเราไปเอามากินไม่บาปแต่ถ้ามันยังไม่ตายไปสั่งให้เขาไปฆ่ามันมาให้เรากินเนี่ยบาปฆ่าทําเองก็ดีสั่งให้เคนอื่นทําก็ดีก็ถือว่าบาปเหมือนกันคำถามจากคุณเดือนจะเอาชนะนิวรอยังไงเจ้าคะอ่าก็ฆ่ามันสิมันง่วงก็ลุกขึ้นมาเดินถ้ามันยังง่วงอยู่ก็อดข้าวดู เอาข้ามันเดี๋ยวมันก็หายง่วงมันกินมากมันก็ง่วงเลยกินน้อยๆหรืออดมันสักพักหนึ่งมันก็หายง่วงคำถามจากคุณวีรพัฒนการรักษาสีห้าเป็นปกติเราจำเป็นต้องอารัธนาสีห้าก่อนสวดมนต์หรือไม่ครับไม่จำเป็นถ้าเรารักษาสีห้าเป็นปกติแล้วก็ไม่ต้องอารัธนาแล้วหนเดียวก็พออารัธนาก็คือ แสดงเกตจ้จำนงเหมือนเซ็นสัญญาต้องมาเซ็นกันทุกวันหรือเปล่าเซ็นสัญญาเช่าบ้านเขาอย่างเงี้ยต้องมาเซ็นกันทุกวันหรือเปล่าเซ็นสัญญาแล้วก็จบก็ตามใดาที่เราจ่ายเงินค่าเช่าบ้าในให้เขามันก็ไม่ผิดสัญญาพอเราระธนาว่าจะรักษาศินหน้าแล้วเรารักษาของเราไปเรื่อยๆก็ไม่ต้องมาอาราธนาใหม่แล้วถึงแม้ศินจะขาดก็ทําความเข้าใจว่าวันนี้สินขาดถ้าอยากจะไม่ให้มันขาดเขาวหน้าก็หาวิธี ลงโทษมันบ้างตัดตัดขนมมันบ้างตัดเวลาดูทีวีบ้างตัดเวลาเล่นลายบ้างเล่นอินเทอร์เนต็ตบ้างวันนี้ทำผิดศีลข้อนี้มันต้องมีมีโทษตามมามันถึงจะเข็ดหลาบใช่ไหมถ้าทำผิดแล้วไม่มีโทษเดี๋ยวมันก็ทำอยู่เรื่อยๆถ้าอยากจะทำให้เรามีศีลบริสุทธิ์เวลาเราทำผิดศีลข้อไหนเราต้องมีมาตรการลงโทษตัวเราเอง คำถามจากคุณบีบีค่ะคุณขอช่วค่ะคำ ถ, ถามจากคุณไอซ์เบอร์รี่ค่ะอ่านเจอในเพจว่าห้ามปรามาสพระโสดาบันจะมีโทษขออนุญาตถามพระอาจารย์ว่าสีลับพระฐะปรามาสคืออะไรคะ <c oughs> มันไม่ใช่ปรามาสอย่างที่เราคิดเนี่ยคำว่าปรามาสหมายถึงอะไรดูถูกดูแคลนใช่ไหมคำว่าสีลับพัฏะปรามาสก็ดูถูกดูแคลนในศีลไม่เห็นคุณค่าของศีล ไปเห็นคุณค่าของพิธีกรรมแทนที่จะรักษาศีลกลับไปทําบุญสะดอกเคาะอย่างเงี้ยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลไปเปลี่ยนอะไรที่เราทุกข์ก็เพราะเราไปทําบาปเราหยุดทําบาปเราก็จะไม่ทุกข์เขาเรียกศีลละพัตรปรามาไปเราแปลตามภาษาของเรานะจริงไม่จริงมันอถ้าปรามา <laughs> แต่าจริงพระโสดาบันท่านรู้ว่าการประกอบพิธีกรรมต่างๆเนี่ยการทําอะไรเสด็คอ้ะะ ด, ะอด้วยวิธีการต่างๆราชะบูชาลาหุนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเปลี่ยนเสื้อผ้าเปลี่ยนบ้านเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนอะไรเนี้ยมันไม่ใช่เป็นวิธีที่เะดะ็คอ้ก็มันเกิดจากบาปที่เราทําไว้ ถ้าไม่อยากจะทำบาปไม่อยากมีเคราะก็อย่าไปทำบาปส่วนเคราะที่เกิดขึ้นนี้ก็ขอให้ถือว่าเป็นเป็นผลของบาปที่ทำมาแล้วในอดีตก็ต้องยอมรับไปแต่การไปทาสะเดาะเคราะ์จะไม่ทาให้เคราะ์มันหมดเคาจะหมดได้ต่อเมื่อเราเลิกทำบาปเมื่อเราไม่ทำบาปต่อไปก็จะไม่มีเคราะ์ตามมาหลังจากเคราะเก่าที่เราที่เคราะที่เราทาจากบาปเก่ามันหมดไป อันนี้คือวิธีที่จะสะเดาะเคราะห์ อ, อย่างแท้จริงสะเดาะด้วยการไม่ทำบาปอย่าไปปรามากศีลศีลนี่แหละของศักดิ์สิทธิ์ของแท้ของจริงอย่าไปว่ามันเป็นของปลอมเข้าใจไหมคำถามจากคุณภูมิค่ะกระทิงแดงเอ็มร้อยห้าสิบสปอนเซอร์ของพวกนี้ใส่ <c oughs> ยาเสพ <c oughs> ติด ของพวกนี้ใส่บาดจะได้ไหมาเจ้าคะสมควรหรือไม่เจ้าคะอ๋อก็ไม่มีใครห้ามเลย <c oughs> ไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีกฎระเบียบที่จะห้ามอยู่ที่คนลับว่าเห็นสมควรที่จะดืม่มหรือไม่ดืม่ม <c oughs> มันก็มีประโยชน์แต่มันเพียงแต่ว่ามันมีโทษ ด, ด้วยถ้าไม่ระมัดระวังถ้าดื่มมากเขาว่ามันมีภายต่อตับไตายยังไงของพวกนี้ อะไรก็ตามถ้ามันมากมันก็มีภัยทั้งนั้นบุหรี่ถ้าสูบวันละมูนสองมูลไม่มีภัยหรอกถ้าสูบวันละวันละซองสองซ อ, องนั่นแหละมันก็จะมีพิษมีภัยขึ้นมาถ้าถ้าเดิมหรือสูบแล้วไม่ติดก็ไม่เป็นปัญหาแล้วก็พอหอมปากหอมคอใช่ไหะวันละขวดนี้หรือไม่ใช่วันละขวดแล้วแต่ตามมีตามเกิดวันไหนใครถวายมาเอานึกอยากจะเดิมก็เดิมมันไปขวดอย่างงี้ ถ้าอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ต้องดื่มทุกวันพอวันไหนไม่มีดื่มแล้วงุด ห, หงิดเนี่ยแสดงว่าติดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ดีเพราะเป็นทําให้ใจไม่สบายแล้วคำถามจากคุณทางโลกนี้ให้เสื่อมค่ะปัญหาของผมคือผมเคยเข้าอุปจารสมาธิได้หลายครั้งมีแต่ตัวรู้รู้ในปัจจุบันก็ปล่อยวางเดินจงกรมบางทีกายกับใจก็แยกออกจากกันคําถามข้อที่หนึ่งค่ะ ปัจจุบันที่ผ่านมาผมไปอยู่ในที่สงบสงัดห่างไกลคนแต่สมาธิไม่ลงเหมือนเดิมจะต้องแก้อย่างไรครับก็ต้องใช้สติดึงไว้ไงอย่าปล่อยให้ใจไปคิดให้ใช้ให้ใจอยู่กับพุทโธให้อยู่กับร่างกายร่างกายกาลังทาอะไรก็มันอยู่กับร่างกายเฝ้าดูร่างกายไปแล้วมันถึงจะสงบข้อที่สองค่ะ เวลานอนแล้วชอบฝันบางทีฝันเห็นครูบาอาจารย์มาสอนกรรมฐานสิ่งที่เราฝันคือเราส่งจิตออกนอกจิตเราไม่เข้าข้างในใช่ไหมครับก็ความคิดของเราไงสังขารความคิดรวมแต่งคำถามจากคุณพิมลนัน่งสมาธิแล้ววางฐานจิตตรงหน้าผากภาวนาพุทโธสักพักใหญ่เหมือนเห็นแสงขาวนวลในดวงตา แบบนี้เรียกว่าจิตรวมลงเป็นสมาธิไหมคะไม่รวมเนอะเวลานั่งสมาธิจะใช้พุโทโธอย่าไปอยู่ที่หน้าผากให้อยู่กับคําว่าพุโทโธถ้าอยู่สองที่มันจะไม่รวมเข้าใจไหมพุโทโธอยู่ที่หนึ่งแล้วก็จิตก็ไปอยู่ที่หน้าผากจิตต้องอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันถึงจะรวมเป็นหนึ่งได้ถ้ามันเป็นสองที่ทั้งที่อยู่ทั้งที่หน้าผากอยู่ที่พุโทโธเนี่ยมันก็จะวิ่งไปวิ่งมา มันก็จะไม่รวมต้องอยู่ที่เดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวแล้วอยู่กับนมอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเข้าไปคำถามจากนายหนุ่มจะให้ลูกอายุ9ขวบบวชเนรพรคฤดูร้อน7วันตามโครงการของโรงเรียนเพื่อให้ซึมซับพราศาสนาแต่กลัวว่าลูกจะผิดศีลเรื่องการทานอาหารหลังเที่ยงได้ยินมาว่าในกลุ่มที่ไปบวชรุ่นก่อนแอบทานขนมด้วยความเป็นเด็ก ซึ่งหาก ท, ทําผิดศีลแล้วจะเป็นแบบติดตัวลูกไปหรือไม่ขอเรียนถามว่าเราควรจะให้เขาไปบวชหรือไม่เมื่อเทียบกับประโยชน์ที่จะได้รับครับออย่าบวชเลยถ้าเจ็ดวันะถ้าบวชก็บวชจริงเลยแล้วไม่บวชจริงก็อย่าไปเสียเวลาสอนให้เขารู้จักศีลดีกว่าวให้เขาหัดรักษาไปคําถามจากคุณหนุ่มตามตามฝัน เวลานั่งสมาธิจะใช้คำบริกรรมพุทโธธัมโมสังโฆได้ไหมครับหรือต้องเลือกใช้คำใดคำหนึ่งตอนต้นอาจจะใช้สามคำก็กได้ถ้าจิตมันฟุ้งมันคิดมากอยู่กับคำเดียวมันไม่อยู่ก็ให้มันมีหลายๆคำก็ได้แต่พอมันเริ่มจะสงบก็ควรจะเอาเหลือแค่คำเดียวอย่างเดียวจะดีกว่าจิตมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวอย่างเดียวมันถึงจะสงบคาถามจาคุณปรกรณ์วิ เวลานั่งสมาธิสงบทุกอย่างแม้แต่ลมหายใจก็ไม่ได้ยินรู้สึกว่าไม่ได้หายใจเหมือนจิตมันดับเลยกลัวตายผมทำสมาธมิถูกไหมครับหรือปล่อยให้มันดับไปเลยเพราะมาถึงจุดนี้ทีไรก็กลัวครับพระอาจารย์อะไรดับเนี่ยคว่าจิตจิตมันดับค่ะเออจิตมันไม่ดับหรอกมั น, เ, นเราไปคิดว่ามันดับจิตมไม่มีวันดับ ไม่ต้องไปกลัวหรอกให้มีสติแล้วมันไม่มีอะไรจะจะดับขาบคุณคุณพลหากบรรลุธรรมขั้นนิพพานจริงๆแล้วความเป็นอรหันต์นี้จะไม่เสื่อมใช่ไหมครับและความเป็นอรหันต์จะไม่จาเป็นต้องคิดทดสอบทดลองแล้วใช่ไหมครับเป็นอรหรันตเป็นอรหรันต์ก็ต้องเป็นอรหันต์ไปที่ยังไม่มีวันสิ้นสุด มันเป็นเวลาแล้วแล้วมันจะไปทดสอบกับอะไรล่ะถ้ามันยังทดสอบอยู่มันก็ยังไม่เป็นเลยข้อที่สองหากปรารถนาพุทธภูมิคือยังไม่ต้องการสําเร็จใช่ไหมครับยังไม่อยากจะปฏิบัติตอนนี้ไงขอขอผัดไปวันข้างหน้าก่อนขอผัดประชาชาติด้านก่อนจ้านี้ขอทำํำบุญระดับต่ําก่อนขอทำทานรักษาศีลไปก่อนขอเป็นนักบุญไปก่อนยังไม่ขอเป็นนักบวช ก็เรียกว่าพุทธภูมิคือขอผัดไปผัดผัดจ่ายค่าค่าบ้านเวลาเจ้าของบ้านเข้ามาเก็บค่าเช่าบ้านก็ขอผ่อนผ่อนพันก่อนว่าตอนนี้ขอเงินไปเที่ยวก่อนไม่ยอมจ่ายค่าเช่าบ้านอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าบอกให้มาปฏิบัติมาบวชก็ขอผ่อนกันขอไปเป็นขอไปเป็นพุทธภูมิก่อนชานี้ยังไม่ขอเป็นพระอรหันขอ ลองไปเป็นพระพุทธเจ้า อ, อีกสิบอีกสิบอีกสิบกันอีกสิบกลับก่อนร้อยกลับก่อนขอไปเกิดแก่เจ็บตายสักพักก่อนแต่ยังไม่เบื่อยังอยากเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็คือพุทธภูมิเดี๋ยวลองอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดนะมีมีคำถามด้ยเยอะนะไม่ค่อยเยอะแล้วคะ่ะเดี๋ยวกี่ข้อ6กค่ะนง มีข้อที่ที่เกี่ยวกับปฏิบัตินะไหมหรือว่าค่อาถามเดี๋ยวจะจะได้ให้สา ม, มเณรเข้ามาคุยนยคำถามจากคุณวันณวุฒิผมนั่งสมาธิแล้วพอจิตเริ่มนิ่งรู้สึกหมุนติ้วและดและเหมือนมีดวงแก้วมาครอบศีรษะไว้และมีกลิ่นเหม็นมากๆมาพัดครับควรทำอย่างไรดีครับอย่าไปสนใจถ้าเราพูดโธก็พูดโธต่อไป มันยังไม่นิ่งถ้ามันนิ่งแล้วมันจะไม่มีอะไรมันจะว่างถ้ามีอะไรแสดงว่ามันยัง ม, มันไม่นิ่งเพราะขอทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานี้จิตเป็นตัวสร้างขึ้นมาเ ท, ท่านั้นคาถามจากคุณนุชลีได้ไ ป, ปได้ไปปฏิบัติธรรมปีกวิเวกได้เจอกลุ่มที่ปฏิบัติจริงๆไม่มีปัญหาแต่พออีกกลุ่มหนึ่งมาเจอกันชอบมาคุยถามเรื่องทั้งโลกและส่วนตัว ทำให้เครียดจิตตกไม่อยากเจอพวกเขาเหล่านั้นแต่เหมือนเขาเหล่านั้นเห็นเราแล้วก็อยากมาอยู่ใกล้ๆไม่ทราบว่าต้องทำยังไงคะก็พยายามอย่าเข้าใกล้เขาเสียพยายามพยายามหลีกเลี่ยงเขาถ้าพูดได้ก็บอกเขาขอว่าตอนนี้อยากจะมาปรีกวิเวกจากมหาความสงบตอนนี้ขอระงับการปฏิสันธานการชั่วคราวมีไหม ที่เป็นคำถามทางปฏิบัติอของหนูมีอะไรคุณสกนกรมาบทสิบค่ะอาไปเปิดดูใน Google แล้วกัน <c oughs> อ่อา ค, ออคือตัวเองชอบปฏิบัติยี่ที่บ้านแล้วพอเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่าจมูกมันดังหูงมันก็ดังอ่าอย่าไปสนใจมันให้แต่ว่ามันจะไปไม่ถูก <c oughs> ก็ไม่ต้องไปสนใจนพุโทโธต่อไป <c oughs> อ่าจนกว่ามันทุกอย่างจะหายไปหมด เหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความรู้เหลือแต่ความรู้ที่รู้นี่หมายถึงรู้ว่าตอนนี้เราทำอะไระรู้ว่ารู้ว่าไม่มีอะไรรล้วรูรว้ว่างอย่างเดีย ว, ว, วถ้ายังมีอะไรอยู่ก็แสดงว่ายังไม่สงบ เ, เดี๋ยวนี้มนจำไม่เนียนมันนี่ฮัลโหลอาจารย์ถามข้ อ, อ, อคือผมปฏิบัติไปแล้วถึงขั้นอุเบกขา แล้วา น, านี้เราจะบริการคถ้า Uber ขาแล้วจะบริกรรก็ได้ั้ม